น้อมๆต่อคุณพระลัดตะไนยโคมการหลวงพ่อกลมเพื่อสตรีทุกท่านจเจริญธรรมไม่ชีได้ญาติที่ทำทุกท่านก็นั่งสบายๆเนาะนั่งไม่ต้องพนมมือนั่งสบายๆล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยเนาะเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยสร้างจังหวะหรือว่ารูปแบบย่อนะแล้วก็ฟังไปด้วยนะเอาการปฏิบัติเป็น เป็นประเด็นสำคัญนะการฟังก็ลองลงมาละกันครั้นี้ในพุทธศาสนาเนี่ยมีคำสอนอยู่มากมายนะที่กล่าวว่าแ0ด0มื่นี่พันมัธรรมคันคั น, นี้ก็แสดงว่ามีมากครั้นี้ <c oughs> มีมากขนาดนั้นนะเราก็สามารถที่จะสรุปใ ห, ให้เหลือน้อยลงให้เหลือสั้นลงนะสรุปได้เป็นสองประเด็น ก็คือภุทนันั้นประการแรกสอนให้เรารู้จักความทุกข์นะรู้จักความทุกข์ประการที่สองเ <c oughs> มื่อรู้จักความทุกข์แล้วก็ให้ปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์นั้นนะมันจะมีแค่สองประเด็นนะเนี่ย <c oughs> ถ้าเราจับประเด็นได้จะไม่ยากใช่ไหมคราวนี้ประเด็นแรกเนี่ยคือให้เรารู้จักความทุกข์เนี่ยเรารู้จักหรือยังเราเห็นไหม ก็เคยไปชวนคนให้มาปฏิบัติธรรมเขถามว่าปฏิบัติไปทําไมบอกว่าปฏิบัติแล้วความทุกข์ก็จะลดน้อยลงก็บอกว่าเขาก็ไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยนะเพราะฉะนั้น <c oughs> เมื่อไม่มีความทุกข์อะไรเขาก็จึงไม่ปฏิบัติธรรมนะอันนี้ก็คือเหตุผลที่คนพูดทั่วไปก็เป็นเช่นนี้นะคนส่วนมากก็คิดว่าเราก็ไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยแล้วก็อยู่สบายที่แล้วเราก็ไม่ปฏิบัติธรรมอันนี้แสดงว่ายังไม่เห็นความทุกข์นะ อย่างที่เมื่อกี้เราก็สวดไปแล้วนะว่าความทุกข์มีอะไรบ้างชาติปีทุกขาความเกิดก็เป็นทุกข์ชร า, าปีทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะน้ำปีทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกกาปริเทวทุกขโทมณสุปายาสาปีทุกขาความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแคลนใจก็เป็นทุกข์ การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพลัดภาคจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่อปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่ง น, นั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้ง5นี่แหละคือตัวทุกข์เนอะก็คือมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เป็นทุกข์ประจําสังขารอยู่แล้วนะอันนี้เราหนีไม่พ้นอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายแน่นอนนะนี่เป็นความทุกข์ นะอันนี้เห็นไหมใช่ไหมนอกจากนั้นความทุกข์ต่างๆที่จอเข้ามาในปัจจุบันนี้เราเห็นไหมเรานั่งมาครึ่งชั่วโมงแล้วเราจะรู้สึกปวดเมื่อยเราเห็นไหมใช่ไหมหรือบางทีก็รู้สึกมื่งว่งแล้วมันก็เป็นทุกข์แล้วน ะ, ะหรือบางบางคนก็รู้สึกหิวใช่ไหมก็เป็นทุกข์แล้วหรืออากาศหนาวก็เป็นทุกข์แล้วใช่หหรื อ, อมีความเบื่อก็เป็นทุกข์แล้ว เ น, นี่ยมันก็เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะเราเห็นไหมใช่ไหมเราเราก็ต้องแก้ทุกข์ไปเรื่อยๆนะนะเมื่อเรามีร่างกายเนี่ยต้องแก้ทุกข์ไปเรื่อยๆใช่ไหมมั น, ม, นมันดับทุกข์ไม่ได้เด็ดขาดหรอกนะเราเราหิวใช่ไหมเราหิวเราก็ไปทานอาหารอีกสักสามสี่โมงก็หิวใหม่ก็ต้องไปทานใหม่ใช่ไหมเราง่วงเราไปนอนนอนตื่นขึ้นมาไว้ต่อไปก็ง่วงอกีกก็ต้องไปนอนอกีกใช่ไหม เราปวดเมื่อยนะเรานั่งนั่งนานๆเราปวดเมื่อยเราก็ต้องลุกขึ้นมาเดินบ้างอันนี้ก็เป็นการแก้ทุกข์ใช่ไหมเห็นไหมเราเดินนานๆเราเมื่อยเราก็ต้องกลับมากลับมานั่งอยู่ดีใช่ไหมหรือเรานอนมีความสุขนอนไปนานๆนะสิกว่าชั่วโมงเนี่ยเราก็มีความทุกข์อยู่ดีนะเราก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสังขารร่างกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราดับทุกข์จริงๆไม่ได้หรอกเราแค่แก้ไขข้อดานในนะ ก็เรียกว่าเป็นการบันเทาทุกข์นะต่อไปก็เป็นความทุกข์ในทางจิตใจนะความทุกข์ในทางจิตใจเนี่ยมันอันตรายมากนะมันเป็นเหตุให้คนไปฆ่าตัวตายได้เป็นส่วนใหญ่นะเราจะไม่ค่อยเห็นคนนอนใต้สะพานลอยนะหรือว่าตามสถานยกระไฟหรือคนเก็บขยะไม่ค่อยฆ่าตัวตายกันหรอกนะแต่คนที่ฆ่าตัวตายจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะแต่ว่าเจอปัญหาในทางจิตใจแล้ว ถึงทางตันแก้ไขไม่ได้นะเนาะปัญหาจากเรื่องความรัก บ, บ้างจากเรื่องครอบครัวบ้างจากเรื่องเศรษฐกิจบ้างเนาะสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้คนฆ่าตัวตายได้มากมายใช่ไหมเนะีเพราะฉะนั้นความทุนทางจิตใจเนี่ยมันมันมีอันตรายไล่แรงมากเนาะแต่ความทุกข์ทางจิตใจนี่มันถึงจะร้ายแรงขนาดนั้นแต่วันมันสามารถที่จะดับได้เด็ดขาดนะมันดับได้เลยจบสิ้นได้เลยมันไม่เหมือนกับการบรรเทาทุกข์เนาะ เหมือนกับพระละหันนะพระละหันท่านก็มีความทุกข์กายมืนมืนทั่วๆไปนั่นแหละแต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยขอท่านหมดแล้วใช่ไหมเพราะท่านสามารถที่จะดับทุกใจได้เด็ดขาดแล้วเพราะฉะนั้นการที่มาปฏิบัติธรรมนี้เราปฏิบัติเพื่อการดับทุกทางใจนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อดับทุกทางกายเรามารู้จักความทุกข์ก่อนนะรู้จักความทุกไม่ทุกไมีจริงไหมที่ว่านั่นแหละทุกกายทุกใจมีจริงไหม นะแล้วหลังนั้นเราก็เมื่อเรารู้ทุกข์แล้วเราก็มาปฏิบัติเพื่อการดับทุกขนะ์ในทางจิตใจเรานี่แหละเมื่อดับไปแล้วความทุกข์ต่างๆก็จบไปนะจบไปสิ้นเชิงเลยเราก็พ้นจากความทุกขนะ์ไปอย่างเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่สรุปที่พระพุทธเจ้าสรุปสุดท้ายว่าว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5นั่นแหละก็คือตัวทุกข์นะถ้าไม่มีคําว่าอุปทานนะถ้าไม่ไม่บอกว่าขันธ์ทั้ง5้าเป็นตัวทุกข์ ขันห้าคือไรขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณรูปก็คือกายเวทนาสัญญาสังขารบิน ญ, ญาณอันนี้คือจิตใจก็คือกายและใจหรือรูปและนามเนี่ยก็คือตัวทุกข์แต่พระเจ้าก็ไม่ได้บอกว่ากายและใจเป็นตัวทุกข์แต่ว่าอุปทานนั่นแหละเป็นตัวทุกข์เพราะว่าไรเพราะว่าอุปทานก็คือความยึดติดนะยึดว่าเป็นของเรานึดว่าร่างกายจิตใจอ่านะเป็นเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรานะเมื่อเราไปยึดเราก็มีมีความทุกข์ แต่เมื่อเราพ้นจากการยึดติดยึดมั่นในตรงนี้ได้แล้วเราก็ออกจากความทุกข์ได้นะเหมือนกับพระละหาันนะท่านก็ไม่ยึดว่ากายและใจเป็นของท่านแล้วมันก็มีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีกายใจมีอยู่แต่ท่านไม่ยึดว่าเป็นของท่านก็ここคือจริงๆมันไม่เป็นของท่านตั้งแต่ต้ น, ตนแล้วในเมื่อท่านปฏิบัติธรรมนละ้วท่านก็เข้าใจถอดถอนความเข้าใจผิดท่านก็เลยไม่ยึดต่อไปนะท่านก็พ้นจากความทุกข์ได้นะเพราะนุบุทานขันนี่แหละคือการยึดติดในในร่างกายจิตใจแล้วนี่แหละก็คือตัวทุกข์นั่นเองเนาะ ก็คือการปฏิธรรมทั้งหมดก็เพื่อถ่ายถอนอการยึดติดการเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนว่าเป็นของเราว่าเป็นเป็นของเราเป็นตัวเป็น ต, ตนของเรานั่นเองเนาะในเราก็จะพ้นจากความทุกข์ได้นะเพราะฉะนั้นการที่มีความทุกข์นี่มีอยู่จริงนะอยู่ที่ว่าเราเห็นไหมใช่ไหมเราเราทำไมพระวิญญาเนี่ยท่านอยู่ในพระราชวังใช่ไหมพระราชวังที่สามฤดูนะแล้วก็มี พระไม่เหตุสีที่งดงามมีพระราโรตที่น่ารักยังเล็กๆอยู่นะทุกอย่างสมบูรณนะ์แล้วทำไมท่านออกมาบวชนะทำไมท่านมาอยู่กลางป่ากลางเขาอยู่กลางดินกลางทรายใช่ไหมแล้วก็ต้องถือบาตรไปขอบิณฑบาตจากทุกคนทั่วไปซึ่งยากจนนะท า, ทางนี้ท่านก็มีอาหารการกินตรงสมบูรณ์เพราะว่าอะไรเพราะท่านเห็นทุกในสังสารวัตต่างหากใช่ไหมแต่ไม่ได้เห็นทุกในปัจจุบันนี้หรอก ทุกในปัจบันเนี่ยท่านน้อยบาคนหน่งต้องเยอะท่านมีความสุขมากกว่าแต่ถ้าเห็นภายในสังสารวัตในการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละท่านยิงออกมาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะชะําระจิตใจของท่านให้หมดจดบริสุทธิ์ให้ให้สิ้นจากกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเมื่อท่านชําระได้เช้นนี้แล้วท่านก็พ้นจากการเกิดแ ก, ก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดในสังสวัตรอันยาวไกลนะพาะเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่ว่าเราแก้ทุกในชาติปัจบันนี้เท่านั้นนะคือชาติปัจบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น เป็นของแถมนะเป็นของแถมนะส่วนแก้ทุกจริงๆก็คือแก้ทุกในใจเราเนี่แหละเมื่อเราแก้ทุกได้แล้วคือกิเลนหมดสิ้นไปแล้วหรือน้อยลงนั่นแหละมันเป็นการดับภพบชาติไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนะนี่เป็นการดับทุกที่ท้าจริงนะเพราะนั้นความทุกเนี่แหละคือทุกในสังสารวัตรเนาะเนี่ยเพราะเมื่อเราเข้าใจในตรงนี้แล้วเราได้รู้ว่ า, าประเด็นที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่ออะไรนะก็เพื่อดับทุกในใจเราให้หมดสิ้นไปนั่นเองเนาะ ครนี้เราจะดับได้อย่างไรนะในพระไตรปิฎกนะก็มีกล่าวไว้ว่าในสติปัฏฐาน4ี่สติปัฏฐานนี่ในพูะเจ้าบอกว่าเป็นเป็นเอกายโนมโคนะเป็นหนทางเอกันประเสริฐซึ่งผู้ใดประเปฏิบัติธรรมในหนทางนี้แล้วก็จะถึงซึ่งความพ้นทุกได้คือถึงปณิพานได้นะประกอบด้วยอะไรบ้างนะก็มีกายนุปัสนาสติปฐานคือกายเวทนานุปัสนาสติปฐานคือเวทนา จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือจิตธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือธรรมนะก็เก่าวสั้นๆก็คือกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองนะทั้งหมดนี้ก็คืออยู่ในกายและใจเรานี่แหละท่านให้ประบัติอยู่ในกายและใจเรานะเป็นการกลับมารู้จักค้นคว้านะแล้วก็สังเกตร่างกายและจิตใจเรานี่แหละไม่ได้ไปรู้ที่อื่นนะ ประวัตธรรมนี้ไม so like, like pues nope, ่ต้องไปรู้ที่อื่นเลยกลับมาลูกรู้ใจเราเป็นการตามรู้กายตามรู้ใจนะอย่างเช่นกายอนุปัสนาสติปัฏฐานก็คือกายบอกอนุปัสนาก็คือกายอนุนะก็คือตามนะวิปัสนาคือรู้นั่นคือการตามรู้กายนะอนุแปลว่าตามมานะจิตตามอนุปัสนาสติปัฏฐานก็คือจิตบอกอนุก็คือตามมาอปัสนาสติปัฏฐานก็คือตามรู้ตามรู้จิตใจ ก็คือเป็นการตามรู้กายตามรู้ใจนั่นเองนะเมื่อเราตามรู้กายตามรู้ใจเราก็จะเข้าใจเห็นความจริงว่าเนี่ยทั้งกายและใจมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้มันจึงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ตัวไม่ตนของเรานะเมื่อมันจิตไม่เข้าใจเช่นนี้มันก็เลยถอดถอนความเข้าใจผิดความยึดมั่นในตัวตนนี้ว่าเป็นของเราเมื่อมันถอดถอนได้แล้วนั่นแหละก็คือความเป็นความพ้นทุกขนะ์เข้าถึงพิพิธภาณ์ก็คือตรงนี้นั่นเองเนาะ เพราะนั้นเราก็ตามรู้เข้าไปตามความเป็นจริงเท่านั้นเองใช่ไหมครั้นเราจะตามรู้ได้อย่างไรนะในหมวดกายแบบว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ายืนก็ให้รู้ว่ายืนเดินให้รู้เดินนั่งรู้นั่ ง, น, ง, น, งนอน้รู้นอนนะนี่คืออีบทใหญ่หรือแล้วก็อีบทแบบพระก็คือการตามรู้ในปัจจุบันนั่นเองว่าเรากำลังอยู่ในอีบทอะไรมันต้องอยู่ใน บทใดบทหนึ่งแน่นอนใช่ไหมไม่ยืนก็นั่งไม่นั่งก็นอนเนี่ยมันไม่พลจากสีบทนี้ไปหรอกเ <c oughs> พราะฉะนั้นนะท่นตอนนี้เรารู้ว่าเรากําลังนั่งนะอ่าอันนี้เราก็ได้ไปฏิบัติรมแล้วเพราะเรากลับมารู้ว่าขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่กําลังนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งใช่ไหมเราเดินจงกรมก็รู้ว่าเดินจงกรมนะเดินไปห้องน้ำํำนะเดินไปบิณฑบาตเดินไปคุติเนะี่ยเราก็รู้กําลังเดินใช่ไหมนี่ก็คือรู้ในปฏิบัติในกําลังทําอะไรเนาะ ต่อมาอิบนย่อยก็คือสัมปชัญญะบัพพะก็คือพระพุทธเจ้าบอกว่าเลี้ยวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเย็ดแขนก้มเงยทรงจีบอลสังคาติดื่มลิ้มกินเคี้ยวอุจจาระปัสสาวะก็ให้รู้สึกตัวในขณะนั้นว่ากำลังทำอะไรอยู่เนาะก็คือให้เรากลับมารู้ในอิบนย่อยต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันนี่แหละเนาะตอนนี้บางท่านอาจจะยกมือร้ายยังขวา เราก็เป็นฏิบัติบทย่อยน ะ, ะคู่แขนเยี็ดแขนนะวิธีการปฏบัติตามธรรมนี่ง่ายๆไม่ไม่ผิดจากปฏัยร์โดกนะคู่แขนเย็ดแขนแล้วก็รู้นะหรือพลิกมือบางคนเนี่ยอาจจ ะ, ะตีๆกำลังพลิกมือในเป็ฏิบท ย, ย่อยเราก็รู้รู้ตัวขณะ น, นี้เราก็ปปฏิบัติธรรมแล้วนะคือรุ่นในบทย่อยต่างๆใช่ไหมหรือบางคนอาจจะตอนนี้เลียวซ้ายแลขวา เ, เราก็รู้สึกตัวได้ใช่ไหมหรือบางคนอาจจะ กระพริบตานะอันนี้เราก็รู้ได้เหมือนกันใช่ไหมแต่อย่าไปตั้งใจนะกระพริบตาเพราะมันเป็นธรรมชาติเนี่ยอันนั้นเรื่องของธรรมชาติก็คือความคุ้นเคยความเคยชินเช่นลมหายใจเข้าออกนะอันนี้เรารู้ลมหายใจเข้าออกหรือว่ากระพริบตานี่คือมันเป็นธรรมชาตินะแต่ว่าการที่เราตั้งใจเนี่ยมันเป็นสิ่งเราตั้งใจแล้วเนี่ยมันเป็นการที่เรารู้ได้ชัดเจนใช่ไหมเพราะนั้นเราก็เลยสร้าง ความลูกตัวขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราตามรู้กายได้อย่างชัดเจนนะว่าตอนนี้กำลังทําอะไรอยู่ใช่ไหมคราวนีน้เราก็ชีพประจําวันเราใช่ไหมเราก็ทําในสิ่งเหล่านี้ได้ใช่ไหมพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเออสิ่งเหล่านี้ต้องมาอยู่วัดหรืออยู่สํานักปฏิบัติธรรมเราค่อยทําแต่พระเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือให้เราทําในชิพประจำวันของเรานั่นเองใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดก็คือเป็นเรื่องชีวิตประจำวันของเรา ตรงนี้ถ้าเราทำได้แล้วก็คือเราเราไม่ได้ไปไหนก็กลับมารู้ในกายเรานี่แหละกายเราเป็นอย่างไรก็รู้ไปวันๆ น, นหนึ่งนะ <c oughs> เราตอนเช้าแล้วก็แปลงฟันนะแปลงฟันนี่สังเกตไม่ว่าเราเคยสังเกตไม่เคยถามไม่ว่าเราแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวหรือความเคยชินใช่ไหมนี่ยมันจะเห็นว่ามันแปลงด้วยความเคยชินเป็นส่วนใหญ่ใช่มเราไม่ได้ไปคิดว่ากลังแปลงแปลงฟันหรือแปงแปลงหนอ แต่มันเป็นการแปลงฟันด้วยความเคยชินนวันหนึ่งแปลงตั้งหลายครั้งก็แปลงด้วยความเคยชินนะการที่มันเป็นความเคยชินน่นแหะก็คือการหลงไปนะมันไม่มีเจตนาในการที่แปลงจริงๆแต่นแปลงด้วยความเคยชินมากกว่าใช่ไหมหรือเราเดินเราก็สังเกตไหมว่าเราเดินด้วยความรู้สึกตัวหรือเป็นความเคยชินใช่ไหมส่วนมากมันก็เป็นความเคยชินท่าตรงนั้นเรียกว่า 99.9% า99น่ะเป็น Favorite. ความเคยชินไม่ค่อยมีใครกลับมารู้หรอกแม้แต่เดินก็ยังไม่รู้ว่ากําลังเดินเลยใช่ไหม ความเคยชินก็เป็นความหลงไปใช่ไหมมันหลงไปทางไหนหลงไปในความคิดนะคิดจะไปทํางานทันไหมรถจะติดไหมเนะย็นนี่จะไปไหนดีนะเมื่อกี้ปิดไฟหรือเปล่าเนะี่ยมันคิดกับเรื่องอื่นๆอดีต น, นาคตทั้งนั้นเลยไม่ได้รู้กับปัจจุบันนี้เราว่ากาลังทําอะไรอยู่เพราะในชีวิตคนเราตั้งแต่เกิดมามันจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นความเคยชินทั้งนั้นนะนะนะนั่นแหละก็คือการหลงมันหลงเราไม่รู้กําลังทําอะไรเขาเรียกเป็นโมหนะโมหะหรือความหลง แปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่รู้ว่าขณะนี้กายและใจกําลังทําอะไรอยู่นั่นเองใช่ไหมเราก็พระเจ้าบอกให้เรากลับมาก็คือท่านให้เราแก้ความหลงเท่านั้นเองนะแก้ความหลงที่ว่าเราเป็นความเคยชินต่างๆที่เราไม่รู้กําลังทําอะไรอยู่เนี่ยให้กลับมารู้เท่านั้นเองว่าขณะนี้กําลังทำอะไรมันเป็นการแก้ความหลงเมื่อแก้ความหลงในตรงนี้ปุ๊บมันก็เลยรู้ทันนะเมื่อมันเมื่อมันเมื่อมันไม่หลงมันก็เลยไม่ไม่ไหลเข้าไปนะไม่ไหลก็ไม่ในอารมณ์ต่างๆใช่ไหม ไม่ไหลเข้าไปในความคิดไม่ไหลเข้าไปในความโกรธไม่ไหลเข้าไปในความรักความชังก็คือเมื่อมันหลงมันก็เลยไหลเมื่อมันไม่หลงมันก็ไม่ไหลนะตรงนี้ก็คือพระพุทธเจ้ามาแก้ความหลงให้เราเมื่อเราไม่หลงเราก็เลยไม่ไหลไม่ไหลเข้าไปในความคิดหรืออารมณ์ต่างๆนะความโลภความโกรธความหลงมันก็เลยไม่ไหลเข้าไปทีนี้มันก็เลยเข้ามาสู่อ่าสภาวะธรรมที่เรากระปัติกัติธรรมอยู่นะก็เริ่มต้นที่กายนี่ก่อนใช่ไหมเริ่มต้นที่กาย เมื่อเราเริ่มต้นที่กายต่อไปเราก็จะรู้จิตใจเราใช่ไหมจิตใจเรานี่แะเป็นสิ่งที่มันละเอียดใช่ไหมเราเรารู้ไม่ทันหรอกวันวันหนึ่งคิดเยอะแยะเลยเดี๋ยวก็คิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้ตลอดเวลาใช่ไหมเนี่ยมันเป็นความคิดที่เรารู้ไม่ทันใช่ไหมความคิดจะมี2อย่างคือการตั้งใจคิดอันนี้เอาเราวางแผนอะไรจะทําอะไรอ่าอันนี้ไม่เป็นไรนะอันนี้เป็นการตั้งใจคิดอันนี้ไม่ไม่ไม่หลงแต่อีกอย่างนึงก็คือการที่เราคิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมันคิดมันเอง มันคิดเองทั้งวันนั่นแหละคือสมองมีหน้าที่คิดทั้งวันอยู่แล้วใช่ไหมเรายังไม่รู้เลยเอีกนาทีข้างหน้ามันจะคิดอะไรอันนี้มันคิดเองนะ่นอนไม่ใช่เราคิดหรอกมันเป็นสภาวะทำอย่างหนึ่งที่ว่าจิตใจหรือว่าสมองมันทํางานเข้าตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เราจะห้ามไม่ได้นะหยุดคิดไม่ได้ขนาดนอนก็ยังคิดเลยเป็นความฝันใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเราเราไม่ได้ห้ามความคิดแต่เรารู้ทันไห ม, ไหมเรารู้ทันเขาไหม แล้วการที่จะรู้ทันเนี่ยมันเป็นสิ่งว่าเราไปตั้งหน้าต่งตางๆไปดูเขาไม่ได้ถ้าไปคอยดูความคิดมันจะแข็งมันจะนน่นมันจะตึงแล้วจะปวดหัวนะเพราะเราต้องตามรู้นะเขาเรียกว่าตามรู้ก็คือจิตตาโนปัสสนติปัฏฐานก็คือการตามรู้ความคิดตามรู้จิตใจนั่นเองนะพระเจ้าก็เลยพูดในเรื่องจิตตาโนปัสสนติปัฏฐานบอกว่าจิตมีราคะก็รู้มีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้มีโทสะ จิตไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะจิตตั้งมั่นก็รู้จิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้จิตไม่ตั้งมั่นก็คือการตามรู้นั่นเองนะตามรู้จิตมีราคาก็รู้มีราคะจิตไม่มีราคาก็รู้ไม่มีราคาก็คือการตามรู้พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าจิตมีราคาก็ทําให้มันไม่มีราคาจิตมีโทสะก็ทําให้หมดโทสะไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่ให้เราตามรู้ความเป็นจริงต่างหากเนาะ เพราะนั้นเราก็ตามรู้ไปนะเพราะเราเพราะฉะนั้นจิตใจอะไไปคอยไปคอยเพ่งตอนนี้มีความคิดไปคอยดูความคิดนะอันนี้ไม่ได้เราจะตึงจะเกิดความเครียดนันทีเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ให้เขาเกิดก่อนแล้วเราก็ตามรู้นะวิธีเกิดก่อนก็คือง่ายๆเราก็รู้กายนี่แหละรู้กายเนี่ยเราจะไปสังเกตจิตใจเราได้ใช่ไหมเมื่อเรารู้กายแล้วเราจะไม่ไปเพ่งใส่จิตใจเราไม่ไปเพ่งความคิดเราจะรู้กายเป็นเครื่องรู้อยู่ของใจ เมื่อมีความคิดแวบหนึ่งเรารู้ทันมีความคิดแวบหนึ่งรู้ทันนี่แหละคือการตามรู้ใจนะตามรู้ใจโดยสายการรู้กายเป็นหลักโดยเมื่อเรารู้กายเราจึงไม่ไปเพ่งจิตใจเพรเรามาตามรู้กายเราจะไม่เพ่งใจเมื่อไม่เพ่งใจไม่ไปเพ่งเขาไม่เพ่งเขาก็สามารถที่จะเผอได้ใช่ไหมก็เผอได้เมื่อเผอแวบหนึ่งหลุดออกจากกายเราก็รู้ทันเมื่อรู้ทันปุ๊บนั่นแหละคือสติเกิดขึ้นแล้วการที่รู้ความคิดแต่ละครั้งนั่แหละคือสติเกิดขึ้นในทุกๆครั้งเพราะสติคืออะไร สติก็คือการระลึกได้นั่นเองนะระลึกได้ว่าเราคิดไปแล้วนะระลึกได้กาลังโกรธกาลังรักกำ ล, ล, ลังชังนะระลึกได้กำลังนั่งอยู่นะกำลังฟังนะคือการระลึกได้ในแต่ละขณะแต่ละขณะที่มันเป็นปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อเรายิ่งระลึกได้สติก็ยิ่งยิ่งโตหลวงพอเทียมบอกว่ า, ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะก็คือมันคิดไปร้อยครั้งเนี่ยเรารู้สัก50สครั้งแนะสดงว่ า, าจิตเรา สติเราเริ่มโตแล้วมันเริ่มมีความรู้ทธาตรู้มันเริ่มโตมากขึ้นแล้วนะเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้เราก็เมื่อเรารู้กายซึ่งเป็นของหยาบใช่ไหมอ่าเราก็สามารถที่รู้จิตซึ่งเป็นของละเอียดได้มันจะตามตามรู้อย่างละเอียดต่อไปเรื่อยๆนะอีกหน่อยเพราะจิตมันขยับนิดนึงเราก็เริ่มรู้แล้วใช่ไหมตรงนี้มันจะได้ประโยชน์เยอะเพราะว่าจิตนี่แหละคือต้นแห่งแห่งความทุกข์นะความทุกข์ทั้งหมดไม่อยู่ไหนอยู่ในจิตใจเรานี่แหละใช่ไหม เพราะนันแก้ม okay. ันต Ou ้องแก้ที่ใจเราเมื่อแก้ที่ใจเราด้วความทุกข์มันก็ดับไปเนอะนี่ตรงนี้เป็นสิ่งที่เรากลับมารู้ในขณะนี้นั่นแหละว่าเรากาลังทําอะไรอยู่นะการที่เรากลับมารู้ว่าในขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่หมายความว่าเรากลับมารู้ปัจจุบันนั่นเองใช่ไหมคำว่าขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ก็คือปัจจุบันใช่ไหมปัจจุบันนี้เป็นสิ่งอะไรมันต่างกับอดีตอนาคตอย่างไร ปัจจุบันนี้ประเด็นสําคัญก็คือมันเป็นความจริงซึ่งเกิดขึ้นในขณะนี้ก็เรียกว่าเป็นปัจจุบันเพราะสิ่งที่เป็นปัจจุบันหรือความจริงมันจึงไม่ต้องใส่ความคิดแต่เป็นแค่ความรู้เท่านั้นเองใช่ไหมอย่างเช่นตอนนี้นะเรานั่งอยู่เราก็ไม่ต้องคิดว่ากําลังนั่งนั่งหนอนะแต่มันคือความจริงใช่ไหมอ่หรือเรากําลังยกมือก็ไม่ต้องคิดว่ากําลังยกมือหรือ ย, ยกหนอแต่มันคือความจริงนะหรือได้ยินก็ไม่ต้องคิดว่ายินหนอหรือกําลังได้ยินแต่มันก็คือความจริง ความจริงก็คือมันไม่ต้องใส่ความคิดแต่เป็นแค่ความรู้เท่านั้นเองเพราะเป็นเรื่องจริงที่ปรากฏเนี่ยเป็นแค่ความรู้อาศัยความรู้นะเมื่อเป็นความรู้แล้วมันจะออกจากความคิดได้มันจะตรงกันข้ามนะคือความคิดน่ะคือการหลงแต่เมื่อมันรู้แล้วปุ๊บเนี่ยนี่คือความจริงเมื่อมันรู้แล้วมันยิงไปตัดความคิดเพราะคิดก็หลงนี่มันเป็นเป็นคู่ปรับกันนะเมื่อใดที่มันหลงแล้วเนี่ยเมื่อเรารู้ปุ๊บมันจะไม่หลงทันทีนะแต่เมื่อเราไม่รู้มันก็หลงไปนะเพราะนั้นเรายิ่งรู้น่ะความหลงก็จะน้อยลง เพราะนั้นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตัวหลงก็คือปัจจุบันนั่นเองใช่ไหมปัจจุบันก็คือความจริงในขณะนี้แหละเราอยู่ปัจจุบันไหมใช่ไหเพราะความจริงปัจจุบันก็คือมันไม่ต้องใส่ความคิดมันจึงเป็นตัวรูลว้ล้วนเลยนะในตรงนี้เราก็จะเอาจากความคิดได้นะวิธีการแล้วก็นี่แหละเราเอาจากความคิดเอาจอากอดีตอนาคตได้มาอยู่ปัจจุบันนั่นเองใช่ไหมปัจจุบันนี่จึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราเป็นการดําเนินสติที่แท้จริงในปัจจุบันนี่แหละนี่แหละคือสภาวะความรู้ตัวนะ สิ่งใดที่เกิดขึ้นในขณะนี้แล้วเรารู้มันนี่แหละคือปัจจุบันแล้วก็คือความรู้สึกตัวนะเพราะปัจจุบันแล้วความรู้ตัวก็คือตัวเดียวกันนั่นเองน ะ, ะมันเป็นสภาว่าทาอย่างนีน้ที่ว่าเรามีการเคลื่อนไหวมีการกระทบในทางร่างกายเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใจไปรับรู้ไหมใช่ไหมจริงๆเราเคลื่อนไหวเกือบตลอดเวลาในชีวิตเราอยู่แล้วใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนเดิ่มกินพูดคิดเนี่ยอันนี้คือการเคลื่อนไหวทั้งหมดเลยใช่ไหม แต่เราไม่เคยไปรับรู้ในตรงนั้นเลยยกตัวอย่างที่เราเดินแล้วก็ไม่รับรู้ในการเดินแต่เราเข้าไปในความคิดหรือความหลงแทนเราก็แค่กลับมารับรู้ขณะนี้กำลังเดินนั่งก็กลับมารับรู้กำลังนั่งหรือยกมือกลับมารับรู้กำลังยกมือหรือแปลงฟันก็กลับมารับรู้ในการแปลงฟันนี่ก็คือกลับมารู้มีการรับรู้ในขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่เท่านั้นเองนะเมื่อเรารับรู้ในภาวะปัจจุบันนี่มันเป็นการรับรู้ที่ไม่ต้องใส่ความคิดแล้วมันออกจากความมันยิงออกจากความคิดได้ใช่ไหมมันเป็นการรับรู้ ในภาวะปัจจุบันเมื่อรับรู้ไปเรื่อยๆแล้วนะตรงเนี้ยเราจะสังเกตว่าเออเราจะกลับมาเป็นผู้เป็นผู้ดูผู้รู้ได้นะมันจะออกจากออกจากความที่เรียกว่าเป็นความปรุงแต่งได้นะความปรุงแต่งต่างๆมีมากมายนะนําความทุกข์มาหเราทั้งนั้นเลยความรักความชังความเกลียดความโกรธความหึงหวงความน้อยใจความเสียใจความเหงาความเครียดความกลัวความอิจฉาลิษยา สิ่งนี้คือภาวะที่มันปรุงแต่งปรุงแต่งจากอะไรปรุงแต่งจากการที่มันเกิดสภาวะการกระทบแล้วเรารู้ไม่ทันก็เลยไปปรุงแต่งต่อนะจริงๆแล้วมันเกิดจากความคิดนั่นเองนะความคิดนั่นแหละมันเป็นอุปกรณ์สำคัญนำไปสู่การปรุงแต่งนะใครมาดา่าเราปุ๊บเราไปคิดต่อโอ้เรื่องก็นี้ดา่าทาไมทาไมต้องมาด่าเราใช่ไมเราไม่ได้ทำผิดอะได่าได้ยังไง หรือไม่รู้หรือว่าเราเป็นใครนะเพือ่อมีความคิดปุ๊บมันก็โกรธ ท, ทันทีเลยนะแต่เรารู้เฉยเมันก็ไม่โกรธนะหรือนะใครมาขับรถปาดหน้าเรานะถ้าเรารู้เฉยๆแล้วก็ไม่โกรธนะแต่เราไปคิดแล้วเนี่ยนิสัยไม่ดีขับอย่างเงี้ยนะไม่เบรกก็ชนไปแล้วนะทำไมขับรถแบบนี้นะขับรถแย่มากเนะี่ยเราคิดไปปุ๊บมันก็โกรธเลยนะมันเกิดจากอะไรเกิดจากความคิดนั่นเองนะความคิดแว บ, บแรกเนะี่ยเรารู้ไม่ทันมันก็ไปปรุงแต่งต่อปรุงแต่งต่อ ไปเรื่อยใช่ไหมหรือผู้ชายเห็นผู้หญิงสวยๆก็ไปคิดแล้วผู้หญิงนี้สวยจังเลยนะชื่ออะไรก็ไม่รู้อะไรบ้านอยู่ไหนเบอร์โทรศัพท์เท่าไหร่เนี่ยพอมันเห็นปุ๊บมันก็ไปปรุงแต่งต่ออีกใช่ไหมเป็นความคิดปรุงแต่งต่อเพราะงั้นการที่เราสามารถรู้ทันความคิดนี่แหละประเด็นสําคัญเมื่อเรารู้ทันความคิดปุ๊บมันก็ไม่ไปปรุงแต่งต่อมันก็ดับไปเลยมันมันหยุดการปรุงแต่งได้เนี่ยการที่มันหยุดการปรุงแต่งนั่นแหละมันก็เลย ไม่เข้าเป็นอารมณ์นะไม่เข้าไปรักไปชังไปเกลียไปโกรธนะตรงนี้ก็คือประเด็นสําคัญนี่แล้ว่าเรากลับมารู้ทันความคิดไหมใช่ไหมมันก็เลยเข้ามาสู่ในจิตตันฑ์วัฏนาเจตฐานเรารู้ทันความคิดไหมเมื่อเรารู้ทันความคิดเราก็จะเห็นว่าเออราค้าเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้มันโทรศาสเกิดมาเราก็เราก็รู้มันใช่ไหมเราไม่ได้ไปละมันเรารู้มันเท่านั้นเองมันก็ดับไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเพราะเราเห็นความคิดความคิดก็ดับไปนะเมื่อเกิดอารมณ์ต่างๆเมื่อเราเห็นปุ๊บมันก็ดับไปหรือมันน้อยลงนะตรงนี้คือกําลังของสติ เมื่อมีกําลังของส ต, ติแล้วนะตรงนีมน้มันยังเดินเดินไปสู่วิปัสนาคือการเห็นทุกอย่างว่าเป็นพระไตรลักษณ์มีแต่ ว, ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นรัตตาไม่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้ําลังนั้นจิตก็จะเกิดการปล่อยการวางการมิยึดติดเพราะตรงนี้ไม่เป็นการเดินไปตามลําดับขั้นของแนววิปัสนากรรมฐานเลยนะเพราะนั้นใหม่ๆนี่เราก็กลับมารู้สึกตัวนะกลับมาเริ่มต้นในตรงนี้ก่อนอยู่ปัจจุบันให้มากๆ อยู่บันบันในการที่เราว่าเราสามารถที่จะอยู่กับเขาได้ไหมจริงๆแล้วมันยากนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆเพราะใจเรามันหลงตลอดเวลาอยู่แล้วนะบอกให้จิตนิ่งๆไม่คิดอะไรสักนาทีมันยังทำไม่ได้เลยใช่ไหมตรงนั้นนะ่ะเพราะนั้นเราจะบังคับอะไรก็ไม่ได้เลยใช่หให้มันรู้สึกตัวตลอดเวลามันก็ไม่ได้นะมันจะต้องรู้สึกตัวตลอดเวลามันไม่ได้แต่ว่าตรงนี้มันจึงคนไม่รู้ก็เลยไปบังคับนะ ต้องรู้สึกตัวยาวๆต้องรู้นานๆไปคอยประคองตัวรู้นะอันนี้ก็คือไปบังคับ จ, จิตใจของเราเองใช่ไหมแต่ครูบาอาจารย์บอกว่าให้เรารู้นะรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆเพราะนั้นการปฏิบัติวิธีนี้จริงง่ายนะเราไม่ได้ให้จิตสงบนะจิตสงบมันมันไม่สงบหรอกต่อให้นั่งสมาธินะจิตนิ่งสนิทเลยจิตเอกเอกตาจิตสนตนิ่งไม่ได้คิดอะไร แต่นัในนั้นก็ยังกําลังคิดว่าขณะนี้เราไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมมันมันไม่ได้สงบจริงๆหรอกใช่ไหมมันเป็นวิธีการที่ยากมากแต่การที่เรารู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ง่ายเพราะว่าเราไม่ได้ความสงบนะแต่เราเป็นการขยา่าทัานรู้เขานะเพราะฉะนั้นท่านรู้เนี่ยมันก็คืออะไรจิตมันมีการดิ้นรนตลอดเวลาอยู่แล้วนะมันจะเกิดตัณหาเกิดการดิ้นรนมีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความเกลียดความกลัว จิตใจขึ้นคือลงทันทั้งวันใช่ไหมเดี๋ยวก็ชอบใจเดี๋ยวก็ไม่ชอบใจนี่แหละคือการสภาวะทำที่ดิ้นรนของจิตนะแต่เมื่อไรที่เราเริ่มรู้เราเริ่มขยา่าทารู้ได้มากขึ้นเนะขยา่าทารู้ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะอารมณ์เราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเราเราไม่ได้เป็นธาตุอารมณ์มาสมัยก่อนแล้วนะเมื่อก่อนเรามีตันหาปุ๊บเราก็ทําตามตันหาอยากก็กินแล้วก็ไปกินอยากก็เที่ยวก็ไปเที่ยว อยากดูหนังก็ไปดูหนังใช่ไหมอันนี้ทําตามตัณหาเท่านั้นเลยนะอันนี้มันเป็นการหลงมันไหลเข้าไปนะไหลเข้าไปในตัณหาในความโลภความโกรธความหลงเนี่ยจิตเราไม่มีกําลังแต่เมื่อไรที่จิตเรารู้เท่าทันแล้วนะมันจะเบาไปทันทีเลยเออมันอยากกะเที่ยวนะเราก็รู้ทันเอออยากเที่ยวเราก็รู้มันเฉยเฉยอยากเที่ยวก็ไปเที่ยวเองเด็กเราก็หยุดมันก็ไปเที่ยวไม่ได้ใช่ไหมอยากดูหนังเราก็รู้ทันเอออยากดูหนังก็ไปดูเองเด็เราก็หยุดเนี่ย อยากฟังเพลงอ่ะฟังเพลงก็ไปฟังเองเด็กเราก็อยู่เ да. นี่ยก็คือเราเริ่มรู้เฉยได้เราเริ่มรู้ทันตัณหาแล้วนะมันก็ไม่มีอิทธิพลกับใจเราใช่ไหมตรงเนี่ยเราจะสังเกตได้เออตอนเนี่ยเราเราก็สามารถรู้ทันจิตใจเราได้แล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้ความโลภความโกรธความหลงมันทํำไมน้อยลงไปนะเพราะเรารู้ทันมันนั่นเองใช่ไหมกิเลสทั้งนั้นนะมันไม่ได้กลัวอะไรเลยกิเลสมันกลัวเรารู้ทันมันเท่านั้นเองนะพอเรารู้ทันเนี่ยมันก็ทําอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมแต่เรารู้ไม่ทันมันมันก็เข้ามาคลองจิตใจเรา ครันนี้รู้ทันนี่มันมีประโยชน์อยังไงใช่ไหมสมมุติเราเป็นเจ้าของร้านสับสินค้าแห่งหนึ่งมันจะมีของจะหายอยู่เรื่อยๆเราไม่รู้ใครมาขโมยนะเราก็มีแต่ความทุกข์เออของมันหายแล้วขโมยก็ไม่รู้เป็นใครครันนี้มื่มีวันหนึ่งเราก็เห็นในผู้ชายคนหนึ่งมันท่าทํามันหลอกแหลกเหลวซ้ายแลขวาเหลวซ้ายแลขวาแล้วกระเป๋ามันก็ตุงๆด้วยแล้วก็มองเห็นหน้ามันปุ๊บมันมันเห็นเรามองมันปุ๊บมันก็เออ วงใจมันจะรู้เราขโมยของแล้วมันรีบหนีจากร้านเราไป็ทันทีเลยนะครั้งนี้อีกสามวันมันนึกเราลืมไปแล้วมันเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่ปุ๊บเราจําหน้ามันได้เรามองหน้าปุ๊บมันเป็นไงมันเห็นเราจําหน้าได้มันรีบหนีจากร้านเราไปทันทีเลยนะครา้นี้เดือนนึ่งมันก็เข้ามาใหม่มันนึกเราลืมไปแล้วพอเข้าปุ๊บเราเห็นหน้าปุ๊บเรามองหน้าปุ๊บมันเห็นเราจําได้มันหนีไปเลยนะี่ยครา้นี้มันนานเลยเป็นปีมันค่อยมามาเห็นเราลืมไปแล้วใช่ไหม เพราะอะไรเพราะว่าเรารู้นะว่าเป็นมันเป็นขโมยแน่ๆเลยเพราะเราเห็นปุ๊บมันหนีทันทีเลยนะกินเล็มันก็เหมือนกันใช่ไหมเมื่อเรารู้เรารู้รู้จักมาแล้วนะจริงๆเมื่อก่อนเราไม่รู้จักมันก็เข้ามาในคลองในจิตใจเราใช่ไหมความโกรธความรักมันคลองในจิตใจเราตลอดเลยแต่ตอนหลังเริ่มรู้ทันเอ้ยนี่มันโกรธนี่นะรู้ว่ากรมันก็หนีไปเลยนะอ่าไอ้นี่มันรักมันก็หนีไปเลยไอ้นี่มันชังมันก็หนีไปเลยนี่มันไม่พอใจก็หนีไปเลยนี่มันอิจฉาก็หนีไปเลยนี่หึงหวงก็หนีไปเลยเพราะเรารู้ทัน กิเลสไม่ได้กลัวอะไรกลัวเรารู้ทันนั่นเองนะเพราะวิธีการไปบัติเนี่ยก็คือการที่เรารู้ทันอารมณ์นั่นเองรู้ทันเพรอไรเพราะเราเขย่าทันรู้โตขึ้นมาใช่ไหมเมื่อเขย่าทันรู้โตมาแล้วมันจะรู้ทันการรู้ทันนี่มันก็คือการไปดับความหลงนั่นเองนะเนี่ยอารมณ์มันเมื่อมันไม่หลงมันจึงไม่ไหลเมื่อไม่หลงมันก็ไม่ไหลก็ไม่ในอารมณ์ต่างๆนี่นะนี่แหละคือสิ่งสําคัญที่ว่ามันเป็นการพ้นทุกข์ก็อยู่ในตรงนี้เองนะหลังจักนี้แล้วเน่ยภพชาติเราจะลดน้อยลงกันไม่ว่าแต่เกิดลดน้อยลงสั้นลง อาจจะเหลือแค่เจ็ดชาติเหลือแค่าชาติเดียวในชาตินี้ก็ได้เนาะอยู่ที่เราเข้าใจไหมระบาดได้ถูกต้องไหมนะตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เรามาปบัติรกันเนาะเพราะฉะนั้นใ น, ในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบามีคุณพระนรไตรน้อมนำาทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเลยพนุท่านเทอญ <c oughs> อรหังสัมมาสัมพุโทโธพระขวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวาก้าโตพระกวัตาธรรมโมธรรมังนุ ม, มัสซามิสุปาติปันโนพระกวัตโตสาวกะสังคโฆสังขังนามามิ